พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าการดำเนินชีวิตแบบทิศ ท, ทั้ง6 วันนี้เป็นวันที่สี่พฤศจิกายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือน11เอดออกพรรษามาแปดวันวันนี้แล้วก็อีกสี่วันข้างหน้าเป็นวันกฐินสามัคคีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบร่วมกัน แต่ทีนี้งไงขอให้พระลูกหลานทุกองค์ช่วยกันจัดการงานดูแลการงานโดยธรรมทางพระคู่บาเกาคู่บาใหม่ทั้งหลายหลวงพ่อมอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายและเป็นหูเป็นตาร่วมกันหลวงพ่อก็เป็นแต่ว่าเป็นประมุขประธานเหมือนกับพระประธานอะย่างนั้นแะ ไม่ได้เปรียบเทียกบกลุ่มเมื่อประดทานเป็นหัวหลักหัวตออยู่นั่แหละเป็นผู้นั่งหัวศาสตหัวหมอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นคนช่วยกันคิดช่วยกันทำอันไหนที่จะเป็นสิริเป็นมงคลกับวัดวาศาสนากับกลุ่มของพวกเราให้ช่วยกันคิดนะ ตลงพ่อพูดได้เพียงแค่นั้นอันไหนจะเกิดประโยชน์อันไหนจะดีเป็นประโยชน์มีคุณค่าเป็นศีลเป็นธรรมเป็นหลักธรรมวินยัยให้พวกเราทงช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันละมันเน็ตหน่อยไม่มาก ถามว่าทำให้คนเดียวทำไม่ใช่ธรรมดางานนี้เพราะนั้นองค์พ่อจะมอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายช่วยกันกิต จ, จัดทำแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาและกับพระใหม่ที่พระบวชในพรรษาก่อนที่จะบวชก็ได้บางคนก็ได้ตั้ง ใจเอาไว้ว่าบวชมาเพื่อลาการลางานออกมาบวชเมื่อถึงกำหนดออกพรรษาแล้วจะได้ลาสิกขาตามขนบธรรมเนียมประเพณีในการบวชสามเดือนสรุปแล้วก็คือประมาณสี่เดือนนั่นแหละเพราะว่าก่อนเข้าก่อนเข้ามาบวชกับสองอาทิตย์เมื่อออกพรรษาแล้วกับสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์จะเป็น สี่เดือนสุดท้ายสองครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังแล้วก็สามเดือนก็สรุปแล้วก็คือบวชสี่เดือนนะั่นแหละบางทนอาจจะไม่ถึงบางทนอากจะไกลกว่านั้นบ้างแต่ทั้งยังไงเมื่อพวกเราพระลูกหลานได้ลาสิกขาเรีอว่าออกไปเป็นคราวาสก็จะให้พวกเราเป็นคนดี หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนทุกปีทุกวันพวกเราคงจะรู้เจตนา เ, เจตนาหรือ ว, ว่าแนวความคิดที่หลวงพ่อบอกกล่าวพ่าลูกหลานทั้งหลายอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีให้มีแนวความคิดที่ดีเมื่อคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็พูดดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีรู้ไหมไม่ดีหลวงพ่อก็แนะนำให้มารู้กี่ครั้งกี่หน ในเมื่อมันไม่ดีเราเราอย่าทำในเรื่องนั้นๆแล้วก็หลวงพ่อก็นเน้นหนักอีกถ้าเป็นไปได้เราจะทำตนให้เลวเสามคืออย่าไปกินเหล้าถ้าไปกินเหล้าเข้าไปขาดจิเมื่อขาดจิแล้ว้องเสียหายทับตนให้เป็นบ้านะเราก็รู้อยู่แล้วกินเข้าไปแล้วมันขาดจิตคนขาดจิตนะคืออะไร คนขาจิติก็คือคนบ้าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้ย้ำเตือนให้กับพวกลูกหลานทั้งหลายให้เป็นคนดีและก็พร้อมกันให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าทิตศทั้งหพวกเราปฏิบัติต่อในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติในทิศทั้งหพวกเราจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว ทิศทั้งหกคืออะไรขอย้ำให้เป็นประเด็นให้ฟังนิดหน่อยก็ได้พ่อแม่คือทิศเบื้องหน้าสามีภรรยาคือทิศเบื้องหลังครูบาอาจารย์คือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องข้ายซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องสูงคือสมณพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำคือลูกน้องบริวาร เราปฏิบัติตนอย่างไรต่อทิศทั้งหกถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อทิศทั้งหกความจีบหายความหายะนะก็จะเข้ามาสู่ใกล้พวกเราเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะพวกเราจะไปสู่ฆรวาดพวกเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหกพ่อแม่คือทิศเบื้องหน้าท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบท่านได้ลูกมาท่านมีความมุ่งหวังอะไร ท่านยังอยากจะได้ลูกเพราะว่าเมื่อได้ลูกมาแล้วเมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเราเลี้ยงเขาดีเขาเลี้ยงเขาแล้วเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เข้ามาเมื่อเราเท่าแก่ชราเขาจะเลี้ยงเราตอบเขาจะเลี้ยงเราตอบแทนเมื่อเราได้เลี้ยงเขาแล้วเขาจ้องตอบตอบแทนแล้วเขาก็คงจะทํากิจระของเราเขาจะ ลูกทั้งหลายคงจะดำรงวงสกุลของเราลูกของเราคงจะปฏิบัติตนเป็นคนดีจะได้รับมรดกที่เราจะแสวงหาให้เราไม่ได้ให้ใครให้เพื่อลูกลูกของเราเมื่อเราล่วงรับไปแล้วลูกของเราคงจะคงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเราอันนี้คือพ่อแม่ที่เลี้ยงบุตรธิดาบุตรชายบุตรหญิงขึ้นมา ก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะนั้นเมื่อเราได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาแล้วเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพุตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุทธิดาคือปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเรามีสามีภรรยาเมื่อออกไปเป็นขาสามีภรรยาต้องเคารพให้เกียรติเขาให้เคารพในสามีภรรยาอย่าไปนลบดูดูถูกเหยียดหยามภรรยาเป็นคู่ทุกข์คู่ยาก เราไปยันต์จู่ราชฐานที่ใดจะพึ่งพาอาศัยใครถ้าพึ่งพาอาศัยพ่อแม่พ่อแม่ก็แต่แก่เท่าชลามีแต่พึ่งพาอาศัยภรรยาก็พึ่งพาอาศัยสามีสามีก็ทึ่งพึ่งพาอาศัยภรรยาถ้าหากว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้แต่เว้นเสียแต่ภรรยาสามีคนนั้นเป็นยักษ์เป็นผีเป็นหมาเป็นแมวเออันนั้นมันก็ย่างว่าอีกเหมือนกันมันพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรา ที่เป็นมนุษย์ได้รับการศึกษาดีแล้วควรจะปรับกายวาจาของซึ่งกันและกันปรับกายวาจาใจให้เข้ากันได้เอในเมื่อเราอยู่เป็นคู่สามีภรรยากันแล้วต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้เคารพสิทธิ์กันอย่าล่วงเกินสามีภรรยาอย่านอกอ ก, อกนอกใจในเมื่อเราอยู่ด้วยกันรักเมตากัน น, นี่คือปฏิบัติตนให้ถูกต้องคือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คือตั้งแต่นักครูสอนนักเรียนกอไก่ขอไข่จนถึงปริญญาตรีโทเอกจนถึงวิชาอาชีพที่เราเข้าไปศึกษาวิธีการทํามาค้าขายมีมากมายหลายอย่างวิทาพิทากวิชาขับรถวิชาตัดผม ปิชายเย็บผ้าล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ต่อๆถึงให้แนวความคิดอย่างหลวงพ่อถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันแนะนำสังสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนี้เราต้องให้ความเคารพในครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์มาเข้ามาในวงการของเราเรานั่งคุยกันนั่งสนทนากันเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาให้ลุกขึ้นยืนรับ เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอันนี้คือให้เกียรติอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เข้ามาเลยหันหลังให้เฉยทำท่าไม่รู้ไม่ชี้อันนั้นไม่ใช่สิทธิ์ที่ดีเพราะนั้นครูบาอาจารย์เข้าไปที่ให้ความรู้ความเฉลียวฉลาดกับเราเราต้องให้ความเคารพจึงจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรือง วิชาตรงไหนที่ครูบาอาจารย์เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสั์ให้กับเราได้อีกบอกกล่าวเราได้อีกวิธรรมวิชาทำอย่างนี้ต้องทำค่ามาค้าขายอย่างนี้นะต้องมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เรียนได้ศึกษาหูกว้างออมองกว้างไกลกว่าพวกเราท่านก็จะได้แนะนำประสิทธิประสั์ความรู้ให้กับเราเพิ่มข้าอีก นี่แหละถ้าให้เราให้ความเคารพในครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราทุกคนต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายอย่างพวกเราก็ามาบวดในคราวนี้แหละเผ่นพระนวันวากาวกานี่ปวดเข้ามารวมกันแล้วเกือบยี่สิบกว่าองค์นะเนี่ยเนื่อเมื่อเราแต่ผู้องค์ไหนได้อยู่ในศาสนาเออเอาเป็นครูบาต่อไปถ้าลกผู้องค์ไหนที่เลลาสิษขาไปพร้อมกัน เราก็เป็นมิตรเป็นสถายกันเป็นญาติธรรมกันไม่เมื่อออกไปเป็นครวาตคนหนึ่งอยู่อุดรคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่ขงขาคนหนึ่งอยู่กรุงเทพจุดคนหนึ่งอยู่หาดใหญ่คนหนึ่งอยู่จันทบุรีถึงยังไงก็ตามในเมื่อพวกเรามีความจำเป็นเราไปเที่ยวหรือว่ามีความจำเป็นไปแต่ละจังหวัดเราก็คิดถึงกันโทรหาการบอกกล่าวกัน ถ้ามีความจำเป็นก็พึ่งพาอาศัยกันก า, การรู้จักกันไว้มากดีกว่าดีกว่าที่ไม่รู้จักใครเฉ ล, ลยเพราะนั้นมิตรสหายก็จำเป็น เ, เมื่ อ, เ, อเรามีความสุขทุกอย่างไรเราก็มอบความไว้วางใจถ้ามิตรสหายหมอบมอบความไว้วางใจให้กับเราเราก็ต้องรับมิตรเป็นยังไงเราเป็นอย่า ง, งั้นสหายเป็นยังไงเราเป็นยา ง, ง้น มิตรสหายคืออันหนึ่งอันเดียวกันรักเมตตากันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันนี่เนแ่ยอนุตวามิตรกัลายาณนะมิตรมิตรที่ดีอถ้ามิตรที่เลวก็มีอีกเหมือนกันนะเราต้องเลือกอีกเหมือนกันอถึงจะเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ใหม่ๆมันก็ดีต่อไปภายภาคหน้าเอ๊ะไอ้นี้ชักทำแม่งทำแง่หรอว ะ, อะไปขายยาบ้ายาม마กันชายาฟิน เผอๆเรามจะเอาเราเราติดคุกด้วยนะนี่ถ้าไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนของเราคนนี้ เ, เราก็ต้องถอยอไม่ใช่เป็นกรย า, ยายาละมิ่เป็นปาปมิดจะแล้ว เ, เราก็ต้องพยายามหนีให้ห่างเพราะเหตุายเพราะเราขืนไปอยู่ใกล้เผอๆนั่งรถไปคันเดียวกันเอาจับไอ้นั้นได้เอาก็ว่าเป็นของเราด้วยเผอๆติดคุกไปหัวโตมั่นกันเอเ่อๆ เราจะปฏิเสธจะไงออกเพราะหะไหรเพราะเราได้เพื่อนที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดเกิดมาในพื้นมนุษย์โลกไม่ใช่ว่า เ, เป็นกัญญาณมิตรอย่างเดียวปาประมิตรก็มีเพราะนั้นการคบค้าจะมาข่มมิตรสหายนี่ก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องอยู่ถ้าว่าไม่เหลือวิสัย ถ้าเราเป็นผู้สังเกตเว้นเสียแต่เรากินเหล้าเมาหรือปื้อเราไม่รู้จักหมู่พวกเพื่อนไปยังไงเขาต้มปอกลอกจนกินจนหมดแล้วตัวเองก็ยังไม่รู้เขาถ้าคนมีปัญญาตั้งสังเกตดูที่เป็นมิตรเป็นสหายกันได้จะรู้ว่าเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีต้องอยู่ด้วยกันนาน จะว่ารู้ว่าคนดีหรือคนไม่ดีต้องอยู่ด้วยกันนานผลดผลทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนี่สิ่งเหล่านี้เราต้องสังเกตในการครบค้าสมาคมกับหมูพวกเพื่อนไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาคบไป เ, เรื่อยผลที่สุดความจิบหายก็มาสู่ตัวของพวกเราถ้าเราไม่ใช่จติไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความรอบขอบถ้าหากว่าเป็น เพื่อนมิตรที่ดีมีแต่เกื้อกูลหนุนกันกันระยนมิตรแต่ป้าประมิตรให้ระวังฮะให้ระวังในการครบค้าสมาคมถ้าคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแหละถ้าคบคนดีก็เป็นคนดีไปถ้าคบคนเลวอีกสักวันหนึ่งเราจะเลวไปด้วยกับเขานะอันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสำมณะพราม สมณพราหมณ์ก็อย่างที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์หลวงปู่หลวงตาอันนี้พวกเราก็คล่องเข้าไปคบค้าสมาคมไปกราบไปไหว้ท่านบางทีท่านก็ให้แนะนําให้คําแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวบางทีก็ไม่ถูกใจเราพราะเรามีความคิดเห็นอย่างหนึงแต่ท่านแนะนําสั่งสอนเราก็ต้องฟังอพันพบท่านเป็นเอใหญ่ที่ท่านเป็นเออ ผู้อยู่ที่เหนือกว่าสัมมณะพรามเป็นผู้หวังดีตอสิทธิานุสิทธิทั้งหลายเข้ามาแล้วก็เอาบอกกล่าวแนะนำแต่ถึงยังไงเราก็ต้องฟังสัมมณะพรามทันในให้แนวความคิดเห็นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าดันทุลังไม่เข้าไปหาใคร เ, เลยผลใน้สุด น, นะความจีบหายเข้ามาหาพวกเราได้ไง่าย แต่เราเข้าไปหาสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์ก็จะได้แนะนำสั่งสอนเหมือนกระจกเงาให้พวกเราได้รู้ดกดีรู้ดื้อให้รู้จกัก ร, รู้ดีรู้ชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนี้ก็คือทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำมิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่จะไปสู่ฆราวาสอ่อ มิดเบื้องต่มเบาคือคนรับใช้คนบริวาร เ, เราจะทำตนไม่ให้ถูกไม่ถูกต้องกอบไม่ได้นะทำให้กับบริวารของเราเราต้องแบ่งปันเราต้องให้เกียรติเขาแบ่งการงานให้เขาทำาจากนั้นก็ให้อาหารและรางวัลให้กับเข า, เาดูแลเขาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละ ถ้าว่าเราดูแลลูกน้องบริวารดีลูกน้องบริวารก็ให้ความเคารพทำการงานเ็าให้เราเบางคนก็นั่นตายแทนนายได้เพราะอะไรเพราะนายดี เ, เพราะนั้นพวกเราที่เป็นนายของเขาต้องดูแลบริวารลูกน้อง้าววาเราดูแลดีแล้วนะความสงบล่นร่มเย็นเป็นถูกในบริษัททางร้าน ในครอบครัวตระกูลของเราก็ร่มเย็นเป็นถูกนี่แหละพวกเราจะออกไปสู่ฆราวาสต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องในทิศทั้งหกถ้าปฏิบัติบัดถูกต้องได้หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเรามีแต่ความเจริญมีแต่ความผ a l i a กสุขตลอดไป อ, อปฏิบัติต่อปิดามารดาถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะ่ะกลับพ่อแม่เท่านะัอ้อพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากกองมรดก ตัดยอดขาดมิตรอย่าไปอันนี้มันดูถูกเหยียดยามกูนี่วะกูเลี้ยงมันมาเท่าไหร่ทําไมมันพูดอย่างนี้วะอ้าวตัดออกนะเพียงแค่นั้นแหะเราเสียความรู้สึกไปถึงวันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเร า, เาต้องคิดไว้ในใจเสม อ, อต้องระลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกรณคุณปฏิบัติตนยังไงต่อพ่อแม่ปฏิบัติตนต่ออย่างไงต่อ สามีภรรยา ป, รปฏิบต์ตนอย่างไรต่อครูบาอาจารย์ปฏิบัติตนอย่างไรต่อมิตรสหายปฏิบัติตนอย่างไรต่อสมณะพรามปฏิบัติตนอย่างไรต่อลูกน้องบริวารถ้าพวกเราปฏิบัติตนถูกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวใช้ปัญญาในการดำรงชีพพวกเราจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การวาง แนวแถวหรือว่าการวางตัวแต่พร้อมกันถึงจะวางตัวถูกขนาดไหนก็เถอะนะจะร่ำรวยขนาดไหนก็เถอนะชีวิตของเราเนี่ยไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอันนี้คิคดเอาไว้อีกเหมือนกันต้องวางแผนเอาไว้เหมือนกันเราต้องประกอบคุณงามความดีเมื่อมีโอกาสนะเราก็จะต้อง ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติอย่างนี้แล้วพวกเราคงจะรู้ได้ว่าการปฏิบัติตนอย่างในทานในศีลในภาวนาถ้าพวกเรารู้แล้วก่อนนี้แล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรแต่ละวี่แต่ละวัน ก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทไม่ใช่ว่าเออเราแกซะก่อนเราจึงค่อยเข้าวัดปฏิบัติ ธ, ธรรมไม่ใช่นะไ อ, อ้คนที่ตายเป็นหนุ่มเนี่ยไม่อดไม่อยากเลยไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หน เ, ออเปิดฟังเมื่อไหร่เปิดดูเมื่อไหร่ไ อ, อ้คนในโลกเนี่ยตายน้อยหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวตายมามากตัวมากแล้วเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเฮ้ตัวของเราเ อ, อเราก็ควรไม่ควรจะยืนยันได้ว่าข้าพระเจ้าจะตายไม่เป็น พร้อมที่จะตายในทุกเวทโอกาสในทุกเวล่ำเวลาเพราะนั้นเราเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลไปด้วยการส่องแสวงหาทรัพย์ไปด้วยการเ่องแสวงหาคุณนักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจไปด้วยไปได้ทั้งสองขางเคยียเคียงคู่กันฮะ อ, อาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือปัจจัยสี่ อาหารใจก็คือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมฐานศีลภาวนานะี่นี่แหละอันนี้ก็คือทั้งสองอย่างถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้ เ, เกิดนะไปอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความสุข ก, กายสุขใจในเมื่อเท่ายังไม่เท่าแก่เท่าเ่าแก่ชราเราก็ได้ทำบุญกุศลเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราไม่เสียเปรียบในการเกิด เราไม่ได้เสียในการเกิดมาเราได้ประกอบเราได้ประกอบคุณงามความดีโดยสม่ําเสมอมาตลอดนี่แหละสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเราทําถูกที่ถูกทางนะวางชีวิตวางแผนชีวิตของตนเองไปในทางที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะราบรื่นหรือมีความสุขใจลึกๆในจิตใจเหมจิตใจของเราเมื่อ ถึงคราวร้ว่าเมื่อมีอายุขึ้นมาก็ไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพื่ออะไรเพราะเราได้ประกอบคุณงามความดีมาโดยสม่ำเสมอทางนอกเราก็ไม่ได้ขาดตกปกพ่องการวางแผนชีวิตของเราในทิศทั้งหกตลอดถึงการเป็นอยู่ของเราแล้วก็ทางด้านจิตใจของเราก็เนี่ยติกจะไม่ได้ไปวัดไปว่าไม่ได้ไปที่ไหนเราก็ไหว้พระ นั่งภาวนาสงบจิตสงบใจอยากน้อยวันละสามสิบนาทีได้ไหมเออตื่นนอนขึ้นมาถ้าเราไม่ตื่นทำไมทาตอนหัวค่ำก่อเที่ยงคืนก็ได้ชวนสว่างก็ได้ก่อนไปทำการทำงานนั่งภาวนาทำสงบจิตสงบใจซะก่อนก่อยไปทำการทำงานล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลของชีวิตทางนั้นถ้าเราใส่ใจถ้าเรา ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผู้อยู่ในปฏิบัติเป็นพระในพระพุทธศาสนาคุ้มกันประกอบประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสังสมบุญกุศลเอาไว้เราเป็นสากกระบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าพ ย, พยายามภาวนาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ ในวัฏฏะสงสารจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกนะถึงจะลารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะตายแล้วก็เกิดอีกถ้าเกิดมาพบหน้าชาติหนาทานไดดีได้ดีไปอีกส่วนหนึ่งถ้าเผลอเผลอถลัมกไปทําความชัว่วเช่อย่างเดียวนะออกจากชาตินี้ไปเป็นเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ที่ไรฉานก็มากต่อมากกระทั่งที่พระพุทธเจ้าของเรา ท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ขนาดนั้นกนะ็เถินพระพุทธองค์ก็ยังมองย้อนหลังไปอีกว่าเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าจะสีวิไลมาสม่ำเสม อ, อบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ลงต่ำบางทีก็ตกนรกบางทีก็ขึ้นสวรรค์เป็น เ, เมื่อสมัยชาติไหนเป็นฤาษีชีไัยอยู่ในป่านลรงพงภยัยภาวนา จิตใจเข้าสู่สมาธิได้ฌานขึ้นไปสู่พรมถ้าพบไรชาติได้มาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. เป็นราชามาหากษสัตว์เป็นเศรษฐีในบำเพลิกุศลในชาตินั้นก็ไปสู่สวรรค์เป็นส่วนมากหรือเป็นมนุษย์เป็นส่วนมากหรือเป็นเทวดาเป็นส่วนมากแต่บางครั้งก็ถลําไปตกนรกก็มากมายเหมือนกัน อ, อย่างพระเจ้า แผ่นดินพระเจ้าพมทัตนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตัดสินคดีความผิดถูกผูกผิดก็ไม่รู้เนะพราะตัวเองก็เชื่อผูกลูกน้องบริวารพอตายจากเป็นพระเจ้าไปดินไปตกนรกทั้งแปดหมื่นปีที่สมัยเป็นพระเตมีเกิดขึ้นมาเป็นพระเตมนะีไม่กล้าพูดเลยเพราะอะไรถ้าขืนพูดไปจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกนะเลยกระทาเป็นไหรไปเลยนะ เพราะเออละลึกถึงละลึกชาติหคนหลังได้ตายเราเพิ่งมาตกนรกมาถึงแปดหมื่นปีเนี่ยเออแล้วการเราจะไปกลับเป็นนรกอีกหรือมาเกิดเป็นพระเจ้าแพ่นดิตอีกนั่นเนี่ ย, ยจะทำยังไงเทวดาที่อยู่ในสิงอยู่ที่สเสวชัดคือเป็นมารดาในอดีตชาติเทวดาก็บอกเอ้ยลูกเอ้ย ถ้าลูกกั้นใจตายมันก็เกิดมาก็เท่านั้นแหละเอาเถอได้เกิดมาแล้วให้ทำตัวเป็นใบ้ใช่ไมไม่พูดไม่อะไรได้ในทุดท้ายจะค่อยออกไปบวชนะลูกนะเนี่ยแหละพระเตมีท่านจริงเตมีใบ้ท่านก็เลยหยุดพูดตั้งแต่สมัยเออรู้เรียงสาวภาวันเรานอนในพระเพลาในตักของพระบิดาพระบิดาเลย แนนอนในตักพระบิดาพระบิดาเป็นผู้ตัดสินคดีความอา่าเขาเอาอนักโทษใส่คือคาผูกคอมาผูกขามาอา้าวคนนี้ประหารชีวิตอา้าวคนนี้จาคุกตลอดชีวิตอา้าวคนนี้ปรับไม้คนนี้ขังคุกเออพระเตมีที่นั่งอยู่พระเภาที่ตักของพระบิดาโอ้ตายเราเกิดชาตินี้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผนดินอีกแล้วเนี่ย ตายแต่ถ้าเราได้เป็นพระเจ้าเป็นดีเอเราจะต้องตกนรกอีกเราเพิ่งมาจากนรกเดี๋ยวนี่เราตกนรกไปตั้งแปดหมื่นปีไงเฮ้มันไม่เอาจะไงนั่นแหละสาเหตุที่พระเตมิยะที่ท่านไม่พูดนะ่ะโพธิสัตว์ท่านก็เลยพระบิดาให้แนวนะโยบายแล้วว่าแนวความคิดอย่างนั้นพระเตมิก็หยุดพูดเลยเฮ้เขาเอาไปตากแดด อตากรแดดให้พระเตมีพูดพระเตมีบอกตกนรกร้อนกว่านี้ออ่าถ้าไปเห็นหมดมันกัดก็ไปใส่ให้หมดแดงกัดมดแดงไฟกัด อ, อพระเตมีบอกว่าเฮ้ยภาษาอะไรฟันมดเขี้ยวมดนหอกแลหลนหล่ำแหกบหอกแหลมเหลาพญายมมันแทงยาวกว่านี้ที่มันแทง กระดูกข้างสีข้างของเราทะลุแล้วทะลุอีกนะภาษาอะไรมดกัดเพียงแค่นี้นะท่านนลึกถึงนรกตลอดเลยสวยความทุกข์ในระลกมันทุกขนาดไหนวันนั้นเขาจะเอาช้างมาเหยียบปล่อยช้างมาให้ช้างวิ่งออกมาเด็กทั้งหวววิ่งหนีหมดแต่พระเตมีนั่งเฉยนอนเหมือนกับเป็นใบ มันจะมาเหยียบก็เหยียบเถอะเหยียบก็แค่ตายเท่านั้นแหละอยู่นรกจริงทุกข์กว่า น, นี้ฮมีแต่ถึกเอานรกมาเปรียบเทียบอยู่ตลอดนั่นแหละผลในสุดท่านก็ได้ออกปวดพอออกปวดท่านก็ได้บำเพ็ญเป็นฤาษีจากออกจากชาตินั้นท่านกั้งขึงงง้นไปสู่พรมนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ทั้งที่ท่านปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตท่านก็ยังได้ตกนรกอย่างที่ เออในชาดกที่ท่านได้พูดได้เล่าได้กล่าวให้ฟังนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครรับรองรับประกันได้เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้บังสังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้เออเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วอย่าไปชะล่าใจอย่าไปนอนใจเออเกิดมาแล้วตายแน่ ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เมื่อตายไปแล้วจะไปที่ไหนตายแล้วไม่สูญ อ, อย่างที่หลวงพ่อได้ย้ำกล่าวอีกตายแล้วไม่สูญนะาตายแล้วเกิดแต่จะไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรถ้าทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะพาไปไปในทางที่ดีถ้าเราทำถลำทำกรรมชั่วกรรมชั่วมาตายแล้วแลวลึกถึงความชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะพา ไปตกต่ําไปไม่เป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างม้าโบกควายตกนรกหมกไหมเป็นได้ทางนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกทานนาะลูกหลานทุกคนผู้ท่านทางนี้ทางนั้นให้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดสาหรับดําเนินชีวิตของเราสรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาททําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปปุลคุณโทษมีจริงนรกมีสวรรค์มีตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีก ออย่างที่หลวงพ่อให้พิสูจน์นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครถ้าจิตใจสงบแล้วใจกับกายกายกับใจเป็นคนละส่วนเป็นคนละอันกันอหลวงพ่อก็เปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนโซเฟอร์อถเมื่อรถมันแก่มันใช้ไปนานมันผุพังเข้าไปอแล้วจะทํำยังไงมันใช้ไม่ได้รถมันแก่ โซเฟอร์ก็จะต้องหนีออกจากรถไปหาซื้อรถคันอื่นอีกนะต้องทิ้งรถคันนี้หนีก็เหมือนกันนั่นแหลกายกับใจของเราลักษณะอย่างนั้นถ้าร่างกายของเราใช้ไปนานแล้วก็ต้องทิง้งใจไม่มีวันเท่าแก่ชลานะใจในเป็นหนุ่มอยู่เสมอพวกเราคิดดูสิอายุถึงขนาดนี้อย่างหลวงพอ่อมองมอ ง, มองดูใจแล้วใจมันไม่หนุ่ม แต่ร่างกายมันไม่ไม่ไปตามบัญชาอยากใจอยากให้ไปแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าใจของเราไม่มีคำว่าจะย่อท้อคิดว่าจะแกะ่เหมือนกับร่างกายไม่ใช่ใจของเราห น, นุ่มอยากใจมันเป็นอย่างจะเป็นอย่างนี้แต่มันกลายมันไปไม่ได้มันหมดสภาพนี่แหละ ถ้าพวกเรามาถึงจุดนี้อย่างหลวงพ่อนพวกท่านทั้งหลายจะรู้ได้แต่สังเกตนะถ้ามีสติดูตนเองมองเจ้าของอยู่เราจะรู้ได้เว้นเสียแต่มันไม่มองตัวเองลืมตัวเองเผลอๆใจกินเหล้าเมาย้อมตัวเองอีกต่างหากเป็นบ้าๆปงวอ ง, องมันจะสังเกตมองตัวเองไม่เห็นเลยจะเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอ่ ป ร, ประกอบคุณงามความดีให้มีสติสัมปชัญญะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแนวความคิดให้กับพระลูกหลานจะทายาโยมได้ฟังนะต่อนี้ไปก็ให้คูบาเปิดเทปเอ3พสให้ฟังสักการเนึง่ง